วันนี้เป็นวันอาทิตย์ที่16กุมภาพันธ์พุทธศักราช2568เป็นวันที่ท่านสาธุชนพุทธบริษัทผู้ใฝ่ธรรมได้ตั้งใจมาวัดเพื่อมาฟังเทศฟังธรรมมาศึกษาวิธีการพัฒนาชีวิต ให้ดีขึ้นไปตามลาดับการพัฒนาชีวิตของพวกเรานี้มีอยู่สองรูปแบบด้วยกันเพราะว่าชีวิตของพวกเรามีองค์ประกอบอยู่สององค์ประกอบด้วยกันคือหนึ่งมีร่างกายสองมีจิตใจร่างกายและจิตใจนี้เป็นคนละส่วนกันเป็นคนละคนกัน เหมือนคนสองคนมาอยู่ร่วมกันเหมือนสามีภรรยาที่มีความแตกต่างกันจิตใจกับร่างกายก็มีความแตกต่างกันการพัฒนาร่างกายและการพัฒนาจิตใจก็มีการต่างแตกต่างกันการพัฒนาทางร่างกายก็คือ การทำให้เจริญในลาบยศสารเสริญสุขนั่นเองทำให้เป็นคนรวยทำให้เป็นคนใหญ่คนโตทำให้เป็นคนเก่งทำให้เป็นคนที่มีความสุขของรูปเสียงจิตลดโหดทพัชชนิดต่างๆห้อมล้อมอยู่ตลอดเวลาอันนี้เรียกว่าเป็นการพัฒนาทางร่างกาย ทางโลกก็ทำสี่คือลาบยศสรรเสริญสุขเป็นการพัฒนาแบบชั่วคราวไม่ยั่งยืนไม่ถาวรเพราะว่าร่างกายงั้นเป็นของชั่วคราวเป็นของไม่ยั่งยืนถาวรวันใดวันหนึ่งร่างกายก็ต้องถึงแก่ความตายไปแล้วสิ่งต่างๆที่ได้พัฒนา ขึ้นมาก็จะหมดไปเช่นความร่ารวยทรัพสมบัติเข้าของเงินทองก็ไม่สามารถเอาติดตัวไปได้ยศถาบรรดาศักดิ์ตำแหน่งต่างๆก็ไม่สามารถเอาติดตัวไปได้ <c oughs> ความเก่งและรูปเสียงกลิ่นรสผลพัฒพาชนิดต่างๆก็ไม่สามารถเอาติดตัวไปได้เลย เป็นการพัฒนาแบบชั่วคราวส่วนทางจิตใจนี้การพัฒนาทางจิตใจนี้พัฒนาอย่างไรจิตใจนี้สามารถจเจริญเติบโตขึ้นในในรูปแบบของภพชาติต่างๆเช่นตอนนี้จิตใจเป็นมนุษย์ร่างกายเป็นมนุษย์จิตใจเป็นมนุษย์ แต่จิตใจนี้สามารถเปลี่ยนพัฒนาให้สูงขึ้นได้พัฒนาจากมนุษย์ให้ไปเป็นเทพเป็นพรหมเป็นพระอริยบุคคลเป็นพระอรหันต์เป็นพระ พ, พ, พ, พุทธเจ้าได้การพัฒนาทางด้านจิตใจนี้เป็นการพัฒนาแบบยั่งยืนเพราะว่าจิตใจไม่มีวันตาย หลังจากที่ร่างกายตายไปแล้วจิตใจยังอยู่ต่อไปถ้าสิ่งที่จิตใจได้พัฒนาไว้ก็อยู่กับจิตใจต่อไปถ้าอยู่ขณะที่มีชีวิตอยู่พัฒนาจิตใจจากมนุษย์ให้ไปเป็นเทพไปเป็นพรหมไปเป็นพระอริยบุคคลไปเป็นพระอาหารหันต์ไปเป็นพระพุทธเจ้าเวลาที่ร่างกายตายไปแล้ว จิตใจก็ยังรักษาสิ่งที่พัฒนาไว้ได้ถ้าพัฒนาจิตใจให้เป็นเทพก็จะไปอยู่สวรรค์ชั้นเทพถ้าพัฒนาจิตใจให้เป็นพรหมเวลาร่างกายตายไปจิตใจก็จะไปอยู่สวรรค์ชั้นพรหมถ้าจิตใจพัฒนาเป็นพระอริยบุคคลจิตใจก็จะไปอยู่ เป็นพระอริยบุคคลถ้าเป็นพระพุทธเจ้าก็จะไปเป็นไปอยู่เป็นพระพุทธเจ้าการพัฒนาจิตใจจึงเป็นการพัฒนาที่ยั่งยืนที่ถาวรและเป็นสิ่งที่ควรพัฒนายิ่งกว่าการพัฒนาทางร่างกายเพราะทางการพัฒนาทางร่างกายนั้นเป็นแค่การพัฒนาแบบชั่วคราว เพื่อขณะที่ร่างกายยังมีชีวิตอยู่พอร่างกายตายไปสิ่งที่ได้พัฒนาขึ้นมาก็จะสูญไปหมดใจผู้ที่ต้องแยกออกจากร่างกายไปนั้นก็จะไม่สามารถเอาสิ่งที่พัฒนาทางร่างกายไปได้เลยเงินทองเท่าไหร่มากน้อยเท่าไหร่กองเท่าภูเขา เป็นเศรษฐีระดับหนึ่งของโลกเวลาตายไปเงินทองแม้แต่บาทเดียวก็เอาติดตัวไปไม่ได้มียศมีตำแหน่งเป็นมหาจากักรพรรดิเป็นประธนาธิบดีหรือเป็นอะไรก็ตามเวลาตายไปก็ไม่สามารถเอายศเอาตำแหน่งเหล่านี้ติดตัวไปได้รางวัลต่างๆที่ได้รับจากการมีความเก่งการในด้าน ทางกีฬาก็ดีทางการแสดงก็ดีเช่นได้เหรียญทองต่างๆได้รางวัลตกตาทองพวกเหรียญทองพวกตุกตาทองเหล่านี้ก็ไม่สามารถเอาติดตัวไปได้<ม>ความสุขจากรูปเสียงกลิ่นรสผดสพ้าชนิดต่างๆก็เอาไปไม่ได้เลยแม้แต่นิดเดียวเป็นอันศูนย์ไปหมดพอถึงเวลาตายแล้วทุกสิ่งทุกอย่าง เทวศาสร้างกันขึ้นมาพัฒนากันขึ้นมาทางร่างกายนี้ก็จะไม่สามารถครอบครองไว้ต่อไปได้แต่สิ่งที่พัฒนาทางด้านจิตใจคือยกระดับจิตใจให้สูงขึ้นด้วยการกระทําความดีต่างๆด้วยการสร้างบุญสร้างกุศลวิธีการต่างๆเมื่อจิตใจได้พัฒนาแล้ว จิตใจก็จะรักษาสาภาพที่ได้พัฒนาไว้ได้หลังจากที่ร่างกายตายไปแล้วแล้วก็จะไปพัฒนาต่อได้ในภพต่อไปชาติต่อไปชานี้ถ้าพัฒนาได้เพียงขั้นระดับเทพชาติต่อไปเมื่อกลับมาเกิดใหม่ก็สามารถพัฒนาให้ขึ้นไปสู่ระดับพรหมได้แล้วก็ หลังจากที่ได้พัฒนาถึงระดับพรหมแล้วถ้าตายไปก่อนเวลากลับมาเกิดใหม่ก็สามารถพัฒนาต่อให้เป็นพระอริยบุคคลได้นี่คือการพัฒนาที่แท้จริงก็คือการพัฒนาจิตใจพระพุทธเจ้าจึงทรงสอนให้สาธุชนพุทธบริษัทผู้ฝ่ายทมให้ให้ความสนใจ การพัฒนาจิตใจยิ่งกว่าการพัฒนาทางร่างกายดูการประพฤติปฏิบัติของพระพุทธเจ้าเป็นตัวอย่างก่อนที่พระเจ้าจะได้ตัดสรุได้พัฒนาทางด้านจิตใจพระพุทธเจ้าก็ได้พัฒนาทางด้านร่างกายได้มาเกิดเป็นกษัตริย์ได้มาเกิดเป็นราชโอรสของพระราชาหากษัิย์ มีลาบยศเสรรเสริญมีความสุขแต่เมื่อหลังจากได้พิจารณาว่าร่างกายนี้ไม่ช้าก็เร็วก็ต้องแก่ต้องเจ็บแล้วก็ต้องตายไปสิ่งที่ได้พัฒนาก็จะหมดไปไม่ได้สิ่งที่เคยให้ความสุขก็จะไม่ช้ามากให้ความสุขกับจิตใจได้ องก็เลยท่งหันไปพัฒนาทางด้านจิตใจด้วยการไปออกบวชออกบวชไปรักษาศีลไปปฏิบัติธรมรมสละราชสมบัติทําบุญทำทานด้วยการสละราชสมบัติแล้วก็ไปออกบวชแล้วก็ไปปฏิบัติธรรมเจริญสมถะภาวนาวิปัศนาภาวนาจนในที่สุดก็ได้พัฒนาจิตใจให้ เป็นพระพุทธเจ้าขึ้นมาแล้เมื่อได้เป็นพระพุทธเจ้าแล้วก็จะไม่มีวันเสือ่อมไม่มีวันหมดจะอยู่คู่กับใจไปตลอดแม้ะทั่งบัด น, นี้สองพันห้าร้อยกว่าปีมาแล้วที่พระพุทธเจ้าได้จากพวกเราไปแต่ใจของพระพุทธเจ้าก็ยังเป็นพระพุทธเจ้าอยู่ไม่เสือ่อมไม่หมดไม่หายไปไหนเตียงต่ว่า ท่านไม่สามารถติดต่อกับพวกเราได้พวกเราไม่สามารถติดต่อกับพระพุทธเจ้าได้ยกเว้นบุคคลบางบางพวกที่มีพลังจิตก็อาจจะสามารถติดต่อกับพระ พ, พุทธเจ้าได้ถ้าไม่มีพลังจิตก็จะไม่สามารถที่จะติดต่อกับบุคคลที่ไม่มีร่างกายได้ แต่บุคคลที่มีพลังจิตนี้ยังสามารถติดต่อกับบุคคลที่ไม่มีร่างกายได้เช่นสมัยที่พระพุทธเจ้าทรงตัดสรุ้ใหม่ๆก็ยังสามารถติดต่อกับจิตใจของพระพุทธมารดาได้พระพุทธมารดาหลังจากครอดเจ้าชายสิทธัตถะไปได้เจ็ดวันก็เสด็จสวรรคตไปอยู่เป็นกายที์อยู่ในสวรรค์เป็นเทวดา พอพระพุทธเจ้าได้ทรงตัดสู่แล้วได้มีพลังจิตที่สามารถจะติดต่อกับผู้กายทิพย์ได้พระพุทธเจ้าก็สามารถค้นหาพระพุทธมารดาที่เป็นเทวดาได้และเมื่อได้พบพุทธมารดาก็ได้โปรดแสดงธรรมให้กับพุทธมารดาอยู่ตลอดระยะเวลาสามเดือน จนพุทธมารดาสามารถพัฒนาจิตใจจากเทพให้กลายเป็นพระอริยบุคคลขั้นที่หนึ่งได้กคือเป็นพระโสดาบันอันนี้คือเรื่องของจิตเรื่องของความยั่งยืนถาวรที่แท้จริงก็คือจิตใจนี่แหละเป็นสิ่งที่ยั่งยืนถาวรสิ่งต่างที่มีในโลกนี้เป็นของชั่วคราวทํานั้น มีการเกดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ต้องดับไปเป็นธรรมดาแต่จิตใจนี้ไม่มีวันเสื่อมไม่มีวันหมดและสิ่งที่ได้พัฒนาให้จิตใจพัฒนาขึ้นมาเป็นอะไรต่างๆนี้ก็จะไม่มีวันเสื่อมเช่นเดียวกันดังนั้นถ้าเราอยากจะพัฒนาชีวิตของเราให้มีความสุขความจเจริญเพิ่มมากขึ้น ให้มีความทุกข์น้อยลงไปและหมดสิ้นไปเราควรที่จะหันมาพัฒนาทางด้านจิตใจกันไม่ควรที่จะเสียเวลาไปกับการพัฒนาทางร่างกายเพราะเป็นการพัฒนาปลอมเป็นการพัฒนาที่หลอกให้เราคิดว่าเรากำลังจเจริญรุ่งเรืองเรากำลังร่ารวยกันเรากำลังมีเงินมีรายได้เพิ่มขึ้น มียศมีตำแหน่งสูงขึ้นมีเกียรติยศมีรางวัลอยต่างๆมากขึ้นมีความสุขจากรูปเสียงกลิ่นรสผดสะพ้าชนิดต่างๆมากขึ้นอันนี้เป็นการพัฒนาที่หลอกเป็นเป็นการพัฒนาหลอกหลอกให้ใจหลงไปคิดว่ากําลังเจริญรุ่งเรืองเพราะใจลืมไปลืมคิดถึงความไม่เที่ยงแท้แน่นอนของร่างกายนั่นเอง ว่าร่างกายผู้ที่เป็นเครื่องมือในการพัฒนานี้เป็นของไม่ยั่งยืนเป็นของไม่ถาวรกิด<ม>แล้วเดี๋ยวก็ต้องแก่ต้องเจ็บต้องตาย<ม>พระพุทธเจ้าจึงทรงสอนชาวพุทธเราไม่ให้หลงไปกับการพัฒนาทางร่างกาย<ม>ด้วยการให้เจริญปัญญาอยู่เรื่อยๆคือปัญญาที่เกี่ยวกับร่างกาย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 เช่สิ่งที่ได้พัฒนาวันใดวันหนึ่งก็ต้องมีการพัดภาคจากกันพัดภาคจากทรัพย์สมบัติเข้าของเงินทองพัดภาคจากยศตําแหน่งต่างๆพัดภาคจากรางวัลต่างๆและพัดภาคจากรูปเสียกลิ่นรสผลเถาะชนิดต่างๆถ้าไม่มีการเตือนใจด้วยปัญญาคือความจริงใจจะถูกความหลงหลอกหลอกให้ไป พัฒนาทางด้านร่างกายเพราะว่ามันเป็นความสุขแต่เป็นความสุขที่มีความทุกข์คอยเป็นเงาตามตัวอยู่เวลาที่ความสุขจากลาบยศสรรเสริญจากรูปเสียงกิ่นรสนี้เสีองไปเมื่อไหร่ความทุกข์ก็จะโผล่ขึ้นมา ท, าทันทีเวลามีลาบมีตำแหน่ง เวลาได้ลาบได้เงินได้ทองก็จะเกิดความสุขแต่พอเงินทองหมดเมื่อไหร่เวลานั้นก็จะเกิดความทุกข์ขึ้นมา ท, าทันทีเวลาที่ได้ยศได้ตําแหน่งก็มีความสุขกันแต่พอสูญเสียยศสูญเสียตําแหน่งความทุกข์ก็เข้ามาแทนที่เวลาได้รางวัลก็มีความสุข เวลาไม่ได้รางวัลก็มีความเสียใจเวลาใดที่ได้เสพสัมผัสกับลูกเสียงกิรโยลดพธภะที่ถูกใจก็มีความสุขแต่เวลาไม่ได้เสพหรือเวลาได้ไปเสพลูกเสียงกิริยลดโพธะที่ไม่ถูกใจก็จะเกิดความทุกข์ตามมาดังนั้นต้องเห็นภัยของโลกกระททั้งสียเห็นภัยของการพัฒนา ทางร่างกายว่ามันจะนำไปสู่ความทุกข์เหมือนกับเป็นการคว้าน้ำเหลวใช้ใช้เวลาทั้งชีวิตพัฒนาราบยศสารเสรินสุขจากรูปเสียงกีดลดทุตตะพอเมื่อพอ่างกายแก่เจ็บตายเ ม, มื่อไหร่สิ่งที่ได้พัฒนาต่างๆก็หมดความหมายไป ไม่สามารถให้ความสุขกับใจได้ถ้าไม่คอยเตือนใจอยู่เรื่อยๆจะหลงจะลืมเราจะถูกความสุขทางโลกโลกกระทำทั้งสี่ดูดไปอย่างลืมไปว่ามันเป็นความสุขรอมเป็นความสุขไม่ยั่งยืนเป็นความสุขชั่วคราวเป็นความสุขเมื่อเวลามันเสื่อมเวลามันหมดไปมันจะกลายเป็นความทุกข์ขึ้นมา แล้วถ้าเรามีการเตือนใจเราอยู่เรื่อยๆทุกวันพระเจ้าทรงสอนให้เจริญทุกวันวันละหลายๆครั้งให้นึกถึงความแก่ความเจ็บความตายว่าเราไม่สามารถหลีพ้นความแก่ความเจ็บความตายความพัดภากจากกันได้ถ้าเรามีธรรมะเตือนใจอยู่เรื่อยๆเราก็จะ สามารถสกัดกั้นความหลงของใจที่จะทุ่มเทเวลาและชีวิตจิตใจให้กับการพัฒนาทางโลกธรรมทางร่างกายแล้วจะได้หันมาพัฒนาทางด้านจิตใจแทนที่เป็นการพัฒนาอย่างยั่งยืนถาวรที่สามารถเอาติดไปกับใจได้หลังจากที่ร่างกายนี้ตายไปแล้ว นี่คือเรื่องของการพัฒนาชีวิตมีสองรูปแบบด้วยกันแบบร่างกายก็เป็นแบบไม่ยั่งยืนแบบชั่วคราวแล้วก็แบบจิตใจเป็นแบบยั่งยืนถาวรที่จะอยู่คู่กับจิตใจไปตลอด mm hmm. เมื่อได้รับการพัฒนาแล้วได้รับการรักษาดูแลแล้วมันก็จะอยู่ไปเรื่อยๆ mm hmm. ถ้ายังอยู่ในขั้นที่มันยังเสื่อมได้อยู่ ก็สามารถที่จะสร้างมันขึ้นมาใหม่ได้อย่างง่ายดายและรวดเร็วจึงควรมาศึกษาวิธีการพัฒนาที่ยั่งยืนคือพัฒนาจิตใจว่าต้องพัฒนาอย่างไรบ้างวิธีพัฒนาจิตใจก็ส่งสอนเป็นขั้นเป็นตอนไปขั้นที่หนึ่งคือพัฒนาจิตใจที่ตอนนี้เป็นมนุษย์ให้กลายเป็นเทพขึ้นมาเป็นเทวดาขึ้นมา ด้วยการทําบุญทําทานต่างๆทําความดีต่างๆทําคุณทําประโยชน์ทําความสุขให้เกิดขึ้นกับผู้อื่นอันนี้เรียกว่าเป็นการทําบุญการกระทาทางกายทางวาจาและทางใจที่จะทําให้เกิดความสุขความเจริญกับผู้ไม่เกิดโทษกับผู้แล้วก็ไม่เกิดโทษกับผู้กระทากับตนเองแล้วก็จะได้ความสุขความเจริญกลับมา ความสุขความจเจริญก็คือจิตใจก็จะสูงขึ้น<ม>จากคนจากขณะนี้ที่เป็นมนุษย์ก็จะเริ่มกลายเป็นเทวดาขึ้นมาเป็นเทพนี่การเป็นเทพการเปลี่ยนสภาพจากมนุษย์ให้ไปเป็นเทพนี้<ม>ต้องเกิดจากการทําบุญทําความดีต่างๆเสียสละแบ่งปันความสุขประโยชน์สุขของตนเองให้แก่ผู้อื่น เช่นเรามีทรัพย์ก็มากเกินกว่าที่เราจะใช้ได้ก็แบ่งไปให้ผู้อื่นเขาใช้สักครึ่งหนึ่งเก็บไว้ครึ่งหนึ่งไว้สําหรับเลี้ยงดูตัวเราเองอีกครึ่งหนึ่งก็เอาไปพัฒนาจิตใจการทําบุญทําทานนี้ไม่ได้เป็นการสูญเปล่าไม่ได้เป็นการเสียเปล่าเป็นการลงทุนเป็นการพัฒนาจิตใจให้มีคุณค่าเพิ่มมากขึ้นจากมนุษย์ให้ไปเป็นเทวดา ความสุขของมนุษย์นี้น้อยกว่าความสุขของเทวดาความทุกข์ของเทวดานี้มีน้อยกว่าความทุกข์ของมนุษย์นั้นเป็นการพัฒนาเป็นการลงทุนที่ที่ฉลาดเพราะว่าไม่ศูนย์เปล่าเวลาร่างกายตายไปเงินที่ใช้ในการลงทุนพัฒนาจิตใจนี้ ก็จะทําให้เราได้จิตใจที่ดีขึ้นที่มีความสุขมากขึ้นมีความทุกข์น้อยลงแต่ถ้าเราไม่เอาเงินก้อนนี้มาพัฒนามาทำบุญทาทานเราเก็บเอาไว้หรือเอาไปใช้หาความสุขจากรูปเสียงกิ่นรถต่างๆเวลาที่เราตายไปเราก็จะไม่มีจิตใจเราก็จะเป็นเหมือนเดิมและอาจจะเป็น แยกก่อเดิมก็ได้ตอนนี้จิตใจเราเป็นมนุษย์แต่ถ้าเราไปทำบาปเมื่อไหร่จิตใจเราก็จะค่อยๆเสื่อมลงความเป็นมนุษย์ก็จะลดน้อยลงไปเปอร์เซ็นต์ของการเป็นมนุษย์ก็จะน้อยลงไปเปอร์เซ็นต์ของการเป็ น, ปนสัตว์ที่อยู่ในอบายก็จะมีเพิ่มมากขึ้นดังนั้นพระพุทธเจ้าจึงทรงสอนว่า นอกจากการทาบุญทาทานเพื่อรักษาเพื่อพัฒนาจิตใจให้สูงขึ้นแล้วยังจะมีความจาเป็นที่จะต้องรักษาศีลด้วยและการกระทำบาปเพื่อรักษาสภาพจิตใจไม่ให้ตกต่าไปกว่าการเป็นมนุษย์อยู่ในขณะนี้ถ้าเราในขณะนี้เป็นมนุษย์แล้วเราไม่ทำบาปความเป็นมนุษย์ก็ยังจะอยู่ครบถ้วนบริบูรณ์แต่ถ้าเราเริ่มทำบาปเมื่อไหร่ ความเป็นมนุษย์เปอร์เซ็นต์ของการเป็นมนุษย์ก็จะลดน้อยลงจากร้อยเปอร์ซนก็จะเหลือเก้าสิบเก้าเปอร์ซนต์ทำบาปเรื่อยๆก็จะลดลงไปเรื่อยๆจากเก้าสิบเก้าหลือเก้าสิบแปดเก้าสิบเจ็ดทำบาปไปเรื่อยๆต่อไปความเป็นมนุษย์ก็อาจจะหายไปหมดเลยแล้วก็จะกลายเป็นสัตว์ที่อยู่ในระบายสี่ชนิดด้วยกันคือสัตว์เดรัจฉาน เบรอสุลกายและนรกอันนี้เกิดจากการกระทาบาปกิดจากการไม่รักษาศีลห้าถ้าทำบาบด้วยความหลงก็จะไปเป็นสัตว์เดรัจฉานถ้าทำบาบด้วยความโลภ ก, ก็จะไปเป็นเปรตถ้าทำบาบด้วยความกลัวก็จะไปเป็นอสุลกายถ้าทำบาบด้วยความมาคาดพยาบาทจองเวนจองกรรม ก็จะไปตกนรกจะไปเป็นสนันนรกอันนี้เป็นความเสื่อมของจิตใจที่ผู้พัฒนาจิตใจจะต้องคอยป้องกันไม่ให้เสื่อมลงไปเพราะถ้าเสื่อมลงไปแล้วก็จะไม่สามารถพัฒนาให้สูงขึ้นมาได้ mm. ก็จะต้องไปติดการใช้เวรใช้กรรมในอบายไปก่อนจนกว่าจะพ้นเวรพ้นกรรมออกมา มาเป็นมนุษย์ใหม่จึงจะสามารถที่จะพัฒนาจิตใจให้สูงขึ้นไปได้ดังนั้นตอนนี้เราเป็นมนุษย์อยู่พยายามรักษาจิตใจที่เป็นมนุษย์นี้ให้อยู่เป็นมนุษย์ต่อไปด้วยการรักษาสินห้าอย่าละเมิดสินห้าโดยเด็ดขาดอย่าทาบาปทากรรมอย่าฆ่าสัตว์ตชีวิตอย่ารักทรัพย์อย่าประพฤติผิดในกาม อย่าพูดปนอย่าดื่มสุรายาเมาที่จะทำให้ขาดสติที่จะทำให้ไม่สามารถควบคุม บ, คบังคับใจไม่ให้ไปทำบาปได้ถ้ารักษาศีลห้าได้จิตใจก็จะไม่ลงต่ำแล้วถ้าทาบุญทาทานได้ก็จะยกระดับจิตใจให้สูงขึ้นได้ถ้าทำทั้งสองอย่างบางครั้งยังเผลอไปทำบาปอยู่ เวลาที่ร่างกายตายไปนี้บุญที่ทํากับบาปที่ทําก็จะเป็นผู้ที่จะมาดึงใจให้ไปในทิศทางใดทิศทางหนึ่งถ้าบาปที่ทํามีมากกว่าบุญบาปก็จะดึงไปอาบายถ้าบุญมีมากกว่าบาปบุญก็จะดึงไปสวรรค์คือบุญก็จะทําให้ใจบางส่วนเป็นเทพบาปก็จะทําให้ใจบางส่วนเป็น เป็นเดรัจฉานเป็นเปรตทีนี้ก็ขึ้นอยู่ว่าส่วนผสมนี้ส่วนไหนมีมากกว่ากันถ้าบาปมีมากกว่าบุญบาปก็จะเดินไปอบยัยไปเป็นเดรัจฉานหรือไปเป็นเปรตเป็นต้นแต่ถ้าบุญมีมากกว่าบาปอยู่ถึงแม้จะถึงแม้จะได้ทำบาปเพราะบางครั้งยังเผลอพังยังรู้แก่อำนาจของโทสะโมหะอยู่ของโลภะอยู่ ก็ต้องอาศัยกําลังบุญไว้มาช่วยอย่างนั้นพยายามทำบุญให้มากๆไว้พยายามทำบุญให้มากกาทำบาปเพราะว่าเราก็ไม่แน่ใจว่าเราจะรักษาศีลให้บริสุทธิ์ไปได้ตลอดเวลาหรือเปล่าบางเวลาชีวิตของเราก็อาจจะตกอยู่ในสภาพที่ถูกบีบคั้นไม่สามารถที่จะรักษาศีลห้าได้ก็อาจจะต้องไปทาบาปบ้าง แต่ถ้าเราไม่ต้องการให้บาปนี้ดึงเราไปอบายดึงให้จิตใจเราลงตำ่ำก็พยายามสร้างบุญไว้ต้านไว้สร้างทำความดีต่างๆทำบุญทาทานอยู่เรื่อยๆให้ติดเป็นนิสัยการทำบุญทาทานนี่เราสามารถทำกับทุกบุคคลได้ไม่จำเป็นว่าจะต้องทำกับวัดทำกับพระเพียงอย่างเดียวถึงจะได้บุญ ทำบุญกับปุุชนทำบุญกับคารวะญาติโยมก็ได้บุญทำบุญกับสัตว์เดรัจฉานก็ได้บุญเหมือนกันคำว่าบุญก็คือผลผลของการทำความดีผลของการทำทานทานนี้แปลว่าการให้เวลาเรามีอะไรแล้วเอาให้ไปให้คนอื่นให้เขามีความสุขเราก็จะเกิดความรู้สึกสุขใจอิ่มใจขึ้นมา ความสุขใจหินใจที่ที่เกิดจากการให้นี้เรียกว่าบุญการให้เรียกว่าทานเพรนั้นไม่ว่าจะให้ใครก็เรียกว่าทานทั้งหมดให้พระให้วัดก็เป็นการให้ทานก็ทานเป็ น, เ ป, นเป็นทานเหมือนกันให้บุคคลที่ไม่ใช่เป็นพระไม่ใช่อไม่ได้ไม่ได้เป็นวัดนี้ก็ยังเป็นทานอยู่เหมือนกันเพราะคําว่าทาน<ม> น, าทานี้แปลว่าการให้คําว่าทานนี้ไม่ได้แยกแยะว่า ให้กับวัดแล้วใด้บุญให้กับให้กับที่อื่นไม่ได้บุญไม่ใช่ได้บุญเหมือนกันได้ผลเหมือนกัน mm hmm. ยา น, นเราสามารถให้ทานทําบุญให้กับใครก็ได้ mm hmm. แล้วแต่เราชอบอยากจะให้ใครช่วยเหลือใครเราก็สามารถทําได้แม้แต่บิดามารดาของเรานี้เราก็ทําบุญกับท่านได้ mm hmm. เพราะบิดามารดานี้เป็นเหมือนพระอาหารหันต์ของลูกๆ ลูกๆได้ทำบุญกับพ่อแม่นี้จะเท่ากับได้ทำบุญกับพระอาหารหันต์จะได้บุญได้ความสุขมากฉนั้นพยายามหมั่นทำบุญอยู่เรื่อยๆถ้าเป็นไปได้ฝึกให้เป็นนิสัยทำบุญทุกวันวันละบาทสองบาทวันละห้าบาทสิบบาทก็ได้ชาวบ้านที่เขามีวัดมีพระอยู่ใกล้ มีผ้ามาบินสบายเขาก็ได้ทําบุญทุกวันเขาก็ได้ตักบาตรทุกวันบางทีเขาก็ไม่มีอะไรให้มากบางทีเขาให้ตักแต่ข้าวปล่าก็มีกับข้าวก็อาจจะมีแค่ห่อเดียวถุงเดียวแล้วก็ให้ผ้าไปแบ่งกันเอาแต่เขาก็ได้ทําบุญทุกวันบุญทุกวันหึือแม้จะเป็นเล็กๆน้อยๆแต่ถ้ามามารวบรวมกันมารวมกันแล้วก็จะ ได้เป็นก้อนใหญ่ขึ้นมาถ้าทำบุญอยู่ทุกวันปีหนึ่งบุญเพีงเล็ก น, น้อยนี้ก็จะกลายเป็นบุญใหญ่ขึ้นมาแต่ถ้าเรานานๆทำทีนี้เราจะไม่สามารถทำบุญใหญ่ๆได้เพราะเราจะหนึ่งอาจจะไม่มีกำลังพอเพราะเราเอาเงินไปใช้ในเรื่องอย่างอื่นเสียหมดมีเหลือเงินไว้ทำบุญเพียงเล็กน้อยเช <c oughs> ่นเรามักจะชอบทำบุญกันในวันเกิดนี่ หรือวันขึ้นปีใหม่แต่เราก็จะไม่สามารถทำบุญได้เหมือนกับชาวบ้านที่เขาทำบุญวันละเล็กวันละน้อยทุกวันพอถึงวันปีใหม่นี้เขาก็ได้สะสมบุญไว้เป็นก้อนใหญ่ขึ้นมาแต่เรานี่เราไม่ได้สะสมเงินทองไว้พอถึงเวลาที่เราจะทำบุญวันปีใหม่ก็ดีวันเกิดก็ดีเราก็มีเงินไม่มากพอที่จะทำบุญเป็นก้อนใหญ่ได้แต่ถ้าเรา ทำบุญทุกวันถึงแม้จะไม่มีวัดไม่มีพระอยู่ใกล้บ้านเราไม่มีพระมาบิณฑบาตเราก็เอาเงินที่เราจะซื้ออาหารใส่บาทนี้ใส่กระปุกไปก็ได้วันล ะ, ะวันละเล็กวันละน้อยห้าบาทสิบบาทแล้วแต่ศรัทธามีกำลังมากน้อยเท่าไหร่ก็ใส่ไปอพอถึงเวลาปีหนึ่งนี่มันจะได้เงินเป็นเงินหลายพันขึ้นมาทันทีแล้วเราก็สามารถเอาเงินที่เราใส่ ใส่ไว้นี่เก็บไว้นี่ไปทาบุญได้เราก็จะได้บุญได้บุญมากใจอย่ารอมาทำวันสำคัญวันเช่นวันเกิดวันปีใหม่แล้วค่อยเอาเงินหาเงินมาทำเงินก็อาจจะขาดอาจจะมีน้อยอาจจะมีไม่มากพอเพราะฉะนั้นเราต้องสมมุติว่าเราทำบุญทุกวันเอาเงินใส่กระปุกไว้วลาห้าบาทสิบบาทตามกาลังของเรามีมากมีน้อย ทำให้มันติดเป็นนิสัย <Yeah. S 2> เราจะมีเงินทำบุญมากถึงเมื่อถึงเวลาที่เราจะต้องทำบุญเช่นวันสำคัญต่างๆหรือว่าถ้าเราไปวัดเมื่อไรเราก็เอาเงินที่เราใส่ในกระปุกนี้เอาไปทำบุญไปถวายวัดได้เลย <Yeah. S 2> ข้อสำคัญเราอย่าไปเอาเงินก้อนนี้ไปใช้ก็แล้วกันเจ้าว่าไม่ใช่เป็นเงินของเราแล้ว เ, เงินที่เราใส่กระปุกไว้เป็นเงิ น, นเป็นเงินทำบุญ ถ้าเราเอาเงินทำบุญไปใช้ก็เหมือนกับว่าเราไปลดบุญที่เราจะทำให้น้อยลงไปเท่านั้นเอง น, อ น, นี้วิธีที่จะทำให้เราได้ทำบุญมากกว่าการทำบาป ก, ก็คือเราต้องสะสมไปวันละเล็กวันละน้อยไปเรื่อยๆแล้วก็พยายามรักษาศีลให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้ถ้ารักษาได้อย่างตลอดเวลาได้ยิ่งดีเพราะาเมื่อไม่มีการกระทำบาปแล้ว บุญที่เราทํานี้ก็จะมีพลังมากที่จะเดินใจของเราให้ขึ้นสูงขึ้นสู่สวรรค์ชั้นสูงได้สวรรค์นี้ก็มีอยู่หลายระดับด้วยกันเหมือนอภัยก็มีอยู่4ระดับสวรรค์ก็มีอยู่6ระดับด้วยกันก็อยู่ว่าเราทําบุญมากทําบุญน้อยทํามากก็จะได้สวรรค์ชั้นสูงได้ความสุขมากทําน้อยก็ได้สวรรค์ชั้นต่ำได้ความสุขน้อยแต่ก็ยังเป็นความสุขมากกว่าการเป็นมนุษย์ ความทุกข์ของมนุษย์ก็จะมีมากกว่าความความทุกข์ของเทวดานี่คือขั้นที่หนึ่งของการพัฒนาจิตใจให้สูงขึ้นด้วยการทำบุญทำทานและการรักษาศีลห้าละเว้นจากการกระทำบาปเพราะถ้าเราไม่ละเว้นจากการกระทำบาปบุญที่เราทำนี้อาจจะมีกาลังไม่พอที่จะส่งไปให้ใจไปไปไ ป, ไปอยู่ในสวรรค์ได้ให้ไปเป็นเทพได้ ก็ถูกกาลังของบาปที่เราทําไว้ฉุดลากให้กลายไปเป็นสัตว์เลรย้ยฉานหรือกลายเป็นเปรตก่อนขอะฉะนั้นเราต้องป้องกันการไปเกิดในอบายก็ป้องกันการเสื่อมต่าของใจด้วยการไม่ไม่กระทําบาปด้วยการรักษาศีลห้าให้ได้รักษาศีลห้าให้เป็นนิจศีลคือรักษาทุกวันไม่ใช่เพียงแต่รักษาในวันพระเท่านั้นเอง ือวันที่เราไปทำบุญเพราะว่าถ้าเราไม่รักษาไว้เราก็มักเราก็อาจจะไปทำบาปได้อยู่เรื่อยๆแล้วเราก็จะสะสมบาปในใจของเราให้มีมากขึ้นไปแล้วแทนที่เราจะได้พัฒนาใจเราให้สูงขึ้นเรากลับไปฉุดรากใจของเราให้ลงต่ำตอนนี้เรารู้แล้วว่าอะไรเป็นเหตุที่ดึงใจให้เราตกต่าอะไรเป็นเหตุที่จะพัฒนาจิตใจของเราให้สูงขึ้น เราก็ต้องมาทำเหตุเหล่านั้น เ, เหตุที่ทำให้จิตใจล ง, ลงต่ำเราก็ต้องละเว้นอย่าไปทำคือการกระทำบาปห้าห้าข้อนิฆ่าสัตว์รักทรัพย์ประพฤติผิดในการพูดปดและดื่มของมึนเมาต่างๆถ้าเราทำได้เราก็จะปิดประตูบ่ายได้แล้วเราก็มาทำบุญทาทานตามกำลังของเรามีมากมีน้อยก็ทำไปพยายามฝึกทำให้ทา ถ้าติดเป็นนิสัยทม ท, ทุกวันเมื่อมันทําอยู่เรื่อยๆแล้วมันจะมีความติดติดใจกับการทาบุญวเวลาทาบุญเราจะรู้สึกมีความสุขมีความมั่นใจมีความสบายใจวันไหนไม่ได้ไม่ได้ทำบุญนี้จะรู้สึกขาดอะไรไปบางคนนี้เคยใส่บาตรทุกวันรอพระมาใส่บาตรบางวันเตรียมหารไม่ทันพระเดินผ่านไปแล้ว ก็ยังต้องตามมาที่วัดเพื่อมาใส่บาตรที่วัดต่อเพราะว่าเวลาได้ทำบุญน่าจะมีความสุขใจเหมือนได้รับประทานอาหารถ้าทำเป็นนิสัยทำไปเรื่อยๆจะสามารถสัมผัสถึงงานนิสงของบุญที่ทำได้ว่าเวลาทําบุญแล้วจะเกิดความรู้สึกสุขใจอิ่มใจขึ้นมาอันนี้คือขั้นที่หนึ่งของการพัฒนาจิตใจให้สูงขึ้นจากจิตใจที่เป็นมนุษย์อยู่ในตอนนี้ ให้ขึ้นไปเป็นเทพเป็นเทวดาแล้วถ้าเราได้ถึงขั้นเทวดาแล้วเราอยากจะขึ้นสูงกว่านี้เราก็ยังสามารถพัฒนาต่อไปได้จากขั้นเทพเราก็จะไปสู่ขั้นพรหมไปเป็นพรหมไปอยู่สวรรค์ชั้นพรหมซึ่งมีอยู่สองระดับด้วยกันแล้วสวรรค์ชั้นรูปประพรหมกับอารูปประพรหมการจะขึ้นสู่สวรรค์ชั้นพรหมได้นี้เราต้องมีการปฏิบัติเพิ่มมากขึ้น คือการรักษาศีลจากศีลห้าข้อก็ต้องเพิ่มเป็นแปดข้อต้อง ก, การจะไปเป็นพรหมได้นี้เราต้องมีการละเว้นการหาความสุขทางรูปเสียงกลิ่นรสผดถภาสนั่นเองค<ม>ือเราต้องเจริญเนี่ยขมมะเนี่ยขมมะก็คือการประพฤติการละเว้นการหาความสุขในการเสพรูปเสียงกลิ่นรสต่างๆก็คือการเพิ่มศีลห้าให้เป็นศีลแปด แลเปลี่ยนศินข้อที่สของศินห้าให้กลายเป็นอ布拉 ม, มจริยาสินห้านี้ข้อที่สในสินห้าห้าไม่ให้ประพฤติผิดในกางพอมาถือศินแปดสินข้อสามในศินแปก็จะกลายเป็นอ布拉 ม, มจริยาคือประพฤติพรหมจหรรย์โดยจะไม่มีการประพฤติกามไม่มีการร่วมเสดกามไม่มีการร่วมหลับนอนกับคู้คลองของตน แล้วก็เพิ่มศีลข้อหกไม่ให้หาความสุขจากการรับประทานอาหารตามความอยากต่างๆให้รับประทานอาหารเพื่อเลี้ยงดูร่างกายไปซึ่งสามารถเลี้ยงดูร่างกายได้เพียงรับประทานวันละครั้งสองครั้งก็พอแต่ไม่ให้เกินหลังเที่ยงวันไปแล้วเพื่อที่จะได้ป้องกันไม่ให้ไม่ให้ใจไปเสพรูปเสียงกลิ่นรสของอาหารอยู่เรื่อย เพราะถ้ายังไปติดรูปเสียงกินรสของอาหารอยู่เรื่อยต้องการเสร็จอยู่เรื่อยก็จะไม่มีสติไม่มีสมาธิที่จะทำให้ใจเข้าสู่ความสงบเข้าสู่สวรรค์ชั้นพรหมได้ต้องมีการละเวน้นการรับประทานอาหารตามความอยากให้รับประทานอาหารตามความจำเป็นตามความต้องการของร่างกายก็รับประทานเพียงครั้งรู้สองครั้งก็พอแต่ไม่ให้เกินเที่ยงวันไปแล้ว หลังจากเที่ยงวันแล้วก็งดไม่ให้มีการรับประทานอาหารนื้อดื่มเครื่องดื่มชนิดต่างๆถ้าหิวน้ําก็ให้ดื่มน้ำเปล่าๆไปก็พอเพราะสิ่งที่ร่างกายต้องการก็คือน้ํำเปล่าๆส่วนน้ําเครื่องดื่มที่มีสีกลิ่นมีรสนี้เป็นความต้องการของกิเลสตัณหาความโลภความอยากตาา่างๆที่เราจะต้องคอยกําจัดถ้าเราอยากจะยกระดับจิตใจของเราให้สูงขึ้นไปเราต้องกําจัดเลิก เราต้องควบคุมการทํางานของกิเลสตัณหาให้ลดน้อยลงไปจิตใจถึงจะเบาขึ้นมีความสุขมากขึ้นก็เลยต้องถือศียงแปกันศีลข้อเจก็ไม่ให้ไปเสบรูปเสียงกลิ่นลดจากการดูมหรสบบันเทิงต่างๆจากการร้องลําทําเพลงจากการเสริมสวยความงามทางร่างกายด้วยเสื้อผ้าพรณวิจิตพิสดารด้วยเครื่องสำอางต่างๆด้วยการทําเผวทําผม อะไรต่างๆเหล่านี้หล่านี้เป็นการเสพกามถ้ายังติดการเสพกามอยู่ก็จะไม่สามารถไปเจริญสตินั่งสมาธิเพื่อให้จิตเข้าสู่ความสงบเพื่อยกระดับจิตใจจากสวรรค์ชั้นเทพให้ขึ้นไปสู่สวรรค์ชั้นพรหมได้ถ้าอยากจะไปสู่สวรรค์ที่สูงขึ้นมีความสุขมากขึ้นมีความทุกข์น้อยลงก็ต้องละการเสพกาม ละกามะฉันทะกามะฉันทะคือความยินดีในรูปเสียงกลิ่นรสผลพัฒนาต่างๆเพราะถ้ายังมีความยินดีในรูปเสียงกลิ่นรสอยู่ความยินดีในรูปเสียงกลิ่นรสนี้จะเป็นอุปสรรคในการที่จะพัฒนาจะยกระดับจิตใจให้สูงจากเทพให้กลายเป็นพรหมได้นั่นเองผู้ปฏิบัติเลยจำเป็นที่จะต้องรักษาศิ่งแปดสิ่งแปดข้อที่สิ 8, ่งแปข้อที่8ก็คือไม่ให้นอนมากเกินไป ไม่ให้หาความสุขจากการหลับนอนให้หลับนอนเพื่อพักผ่อนร่างกายได้เวลาร่างกายเนหนื่อยเมื่อยล้ก็ต้องมีการหลับนอนการหลับนอนเพื่อไม่ให้ <St év music> เพื่ อ, เ พ, อ <ingo. S 1> เพื่อบรรเทาความความเหนื่อยความความเหนื่อยของร่างกายก็นอนในที่พื้นแขน็งแข็งก็นอนหลับได้อย่าไปนอนบนฟูกหนาหนาเพราะว่าถ้านอนบนฟูกหนาหนาหลังจากที่ร่างกาย ได้พักผ่อนหลับนอนพอแล้วพอตื่นขึ้นมาความอยากนอนต่อยังจะมีความยินดีในความสุขของการนอนก็ยังจะดึงให้ใจนอนต่อไปอีกได้หลายชั่วโมงด้วยกันจะทำให้เสียเวลาของการมาปฏิบัติเพื่อยกระดับจิตใจให้สูงขึ้นให้ไปเป็นพรหมต้องถึงศีลแปดนอนกับพื้นแข็งๆอย่าไปนอนกับบนฟูกหนานะบนเตียงที่สับเตียงสารานที่มีความสุข เขาจะทำให้นอนมากเกินไปจะทำให้สูญเสียเวลามีค่าที่อยากมาใช้ในการยกระดับพัฒนาจิตใจให้สูงขึ้นด้วยการเจริญสตินั่งสมาธิถ้าเราอยากจะพัฒนาจิตใจให้สูงจากชั้นเทพให้ไปเป็นชั้นพรหมเราต้องถือศีลแปแล้วเราก็ต้องไปเจริญสตินั่งสมาธิในสถานที่สงบ สถานที่ที่ไม่มีลูกเสียงกิ่นรดมาคอยยั่วยวนกวนใจถ้าเราปฏิบัติที่บ้านเจริญสตินั่งสมาธิที่บ้านถ้าเราอยู่กับคนหลายๆคนด้วยกันคนเหล่านั้นเขาก็จะมารบกวนใจเราบางคนเขาก็ดูหนังฟังเพลงบางคนเขาก็กินอาหารเย็นกันบางคนเขาก็เล่นกันอะไรกันดูท่าพยนตร์ทำอะไรกัน ถ้าเราเห็นสิ่งเหลานี้แล้วมันก็อาจจะทำให้ใจเราเกิดความอยากจะทำเหมือนเขาก็ได้ก็จะไม่มีกรจิกกระใจที่จะมาเจริญสติมานั่งสมาธิเราจำเป็นจะต้องไปอยู่ที่เงียบๆที่ไม่มีคนรอบล้อมเราห้อมล้อมเราอยู่ที่สงบสงัดวิเว้ถ้าเราอยู่บ้านคนเดียวนี่เราก็อาจจะสามารถปฏิบัติที่บ้านได้แต่ถ้าเราต้องอยู่กับคนหลายคนนี่การจะปฏิบัติที่บ้านนี่มันจะเป็นการยาก ดังนั้นเราควรจะหาเวลาให้กับการปฏิบัติหาเวลายกระดับจิตใจให้สูงขึ้นเพราะพุทธเจ้าก็กําหนดวันให้พวกเราไปยกระดับจิตใจจากเทพให้ไปเป็นพรหมคือในวันพระนี้เองวันพระที่พรุทธเจ้าได้ทรงบัญญัติให้ชาวพุทธเราหยุดยุดติการหาความสุขทางรูปเสียงกลิ่นรสต่างๆเพื่อที่จะได้เอาเวลานี้ไปให้กับการพัฒนาจิตใ จ, จเจริญจิตใจด้วยการรักษาศีลแปด แล้วก็จเจริญสตินั่งสมาธิเพราะการที่จะทำให้ใจสใจพัฒนาขึ้นไปเป็นพรมได้ใจต้องเข้าสมาธิให้ได้ต้องเข้าฌานขั้นต่างๆให้ได้เข้ารูปฌปานหรือขั้นอรูปฌปานให้ได้ <sim. S 1> ถ้าเข้าขั้นรูปฌปานได้ก็จะไปเป็นรูปประพมถ้าเข้าขั้นอรูปฌปานได้ก็จะไปอยู่ในก็จะไปเป็นอรูปประพมรูปประพมนี้มีความสุขน้อยกว่าอารูปประรม อรูปภปพนี้มีความสุขที่สูงสุดในบรรดาในในบรรดาสวรรค์ชั้นต่างๆสวรรค์ชั้นอรูปภพนี้เป็นสวรรค์ที่มีความสุขมากที่สุดลองลงมาก็สวรรค์ชั้นรู ป, ปรภมลองลงมาก็สวรรค์ชั้นเทพนี่คือขั้นตอนของการพัฒนาเบื้องต้นก็รักษาศีลห้าไว้อย่าทำบาปเพื่อจะได้ไม่ทำให้จิตใจ ตกต่ำลงไปกว่าการเป็นมนุษย์แล้วก็ยกระดับจากมนุษย์ให้เป็นเทวดาด้วยการทําบุญทําทานจากการเป็นเทวดาไปสู่เป็นพรหมก็ต้องถือศีลแปดละเว้นการความการเสพรูปเสียงกลิ่นลดโภชนะชนิดต่างๆเอาเวลามาให้กับการเจริญสติควบคุมความคิดหยุดความคิดให้ได้แล้วก็มานั่งสมาธิพอนั่งสมาธิหยุดความคิดได้ใจก็จะเข้าสู่ ฌานขั้นต่างๆได้เข้าสู่รูปฌานเข้าสู่อรูปฌานได้ใจก็จะเข้าสู่สวรรค์ชั้นพรหมได้อนี่คือขั้นขั้นการพัฒนาขั้นที่สามขั้นที่สองต่อจากขั้นเทพจากขั้นเทพก็ไปสู่ขั้นพรหมขั้นพรหมก็มีสองขั้นขั้นรูปฌานกับขั้นอรูปฌานเมื่อได้ขั้นพรหมแล้วถ้าอยากจะขึ้นสูงกว่านั้นก็ เพื่อจะจะได้ไปเป็นพระอริยบุคคลพระอริยบุคคลก็มีอยู่สี่ระดับด้วยกันก็คือมีโสดาบันสกิทาคามีอน า, าคามีและอรหันต์จากพัฒนาจิตจากขั้นสวรรค์ชั้นพรหมให้ไปเป็นสวรรค์ชั้นอริยบุคคลได้นี้จําเป็นที่จะต้องปฏิบัติธรรมอีกขั้นหนึ่งก็คือการเจริญปัญญาการศึกษาความเป็นจริง ของสภาวะธรรมทั้งหลายทั้งปวงว่าเป็นอย่างไรต้องเห็นว่าทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้เป็นของไม่เที่ยงแท้แน่นอนเป็นของชั่วคราวเช่นเห็นร่างกายนี้เป็นของชั่วคราวร่างกายเกิดมาแล้วก็ต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายถ้าไปยึดไปติดกับร่างกายใจก็จะทุกข์ใจก็จะไม่สามารถที่จะหลุดพ้น จากการยุดติดจากการที่จะกลับมาเกิดเป็นมนุษย์อยู่เรื่อยๆเพราะว่ายังมีความยึดติดยังหลงยังเห็นคุณค่าของการเป็นมนุษย์อยู่ว่าจะสามารถทำให้ไปหาความสุขต่างๆได้แต่ความสุขต่างๆที่หาได้จากการเป็นมนุษย์นี้ก็ล้วนเป็นความสุขปลอมเป็นความสุขชั่วคราวเป็นแค่ความสุขจากลาบยศเสริญจากรูปเสียงกลิ่นรสต่างๆต้องพิจารณาให้เห็น ว่าการมีร่างกายนี้การมาเกิดนี้มันเป็นทุกข์เพราะว่าร่างกายเป็นของไม่เที่ยงเกิดแล้วก็ต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายถึงแม้ว่าร่างกายจะเป็นเครื่องมือในการหาความสุขให้กับใจก็ดีเอ็นหาลาบยศสารเสริญหารูปเสียงกลิ่นรสปฐมภาให้กับใจก็ดีแต่ก็เป็นความสุขแบบชั่วคราวลาบยศสารเสริญสุขก็เป็นของชั่วคราวเป็นอนิจจังเป็นของไม่เที่ยง เมื่อใดเมื่อเวลาใดาที่มันเสื่อมมันหมดไปมันก็จะกลายเป็นความทุกข์ขึ้นมาเพราะว่ามันไม่เป็นสิ่งที่เราจะสามารถครอบครองไว้เป็นสมบัติของเราได้ไปตลอดมันไม่ได้เป็นสมบัติของใครสิ่งต่างๆที่มีในโลกนี้เป็นของธรรมชาติไม่มีใครมาครอบครองมายึดมาเก็บเอาไว้เป็นของตนได้ท่านเรียกว่าเป็นอนัตตาก็ต้องสอนใจด้วยปัญญาให้เห็นว่าทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้ล้นวนเป็น อานิจจังทุกขังอนัตตาทั้งนั้นการมีร่างกายก็เป็นอันิจจังทุกขังอนัตตาการไปสวรรค์ก็เป็นอันิจจังทุกขังอนัตตาสวรรค์ก็เป็นของชั่วคราวเมื่อหมดก็ต้องกลับมาเกิดเป็นมนุษย์ใหม่มาเติมมาเตบุญใหม่มาทำบุญใหม่แล้วเวลาตายไปก็ไปขึ้นสวรรค์ใหม่แล้วพอพอบุญหมดก็กลับมาเกิดใหม่ไม่ว่าจะบุญระดับขั้นขั้นเทพหรือขั้นพรหม มันก็เป็นของชั่วคราวอันนี้ต้องพิจารณาด้วยปัญญาให้เห็นว่าอย่าไปยินดีกับภพบชาติต่างๆที่ได้พัฒนามาจนถึงขั้นขั้นผรมเพราะว่ามันยังเป็นของชั่วคราวอยู่มันยังจะทำให้เราต้องกลับมาเวียนว่ายตายเกิดต่อไปถ้าเราทำบุญเราตายไปเราก็ไปรับผลบุญในสวรรค์ชั้นเทพพอบุญที่เราได้ได้ได้ติดตัวไปหมดกาลังลงเราก็ต้องกลับมาเกิดใหม่มาเติมบุญใหม่ ถ้าเราไปถ้าเราไปสวรรค์ชั้นพรหมสมาธิที่ส่งเราไปสวรรค์ชั้นพรหมเมื่อมันหมดกําลังลงมันก็ทําให้เรากลับมาเกิดเป็นมนุษย์ใหม่แล้วเราก็ต้องมาปฏิบัติใหม่มาถึงศีลแปลดใหม่มาฝึกสมาธิเข้าสมาธิใหม่มันไม่ยั่งยืนถาวรแม้จะเป็นการพัฒนาที่อยู่กับใจแต่มันก็ยังเสื่อมได้ถ้าอยากจะให้ใจไม่เสือ่อมอยากให้ใจมีความสุขที่สูงกว่า สวรรค์ชั้นพรมก็ต้องใช้ปัญญาสอนใจให้ปล่อยวางไม่ให้ไปอยากในสิ่งต่างๆไม่ให้ไปอยากในรูปเสียงกลิ่นลดผลิภัพฑ์ไม่ให้ไปอยากในความสุขของของฌานขั้นต่างๆเพราะว่าสิ่งเหล่านี้ยังเป็นของที่ไม่เที่ยงแท้แน่นอนเป็นของชั่วคราวอยู่ได้มาแล้วเดี๋ยวก็ต้องหมดไปหมดไปก็ต้องไปสร้างขึ้นมาใหม่ถ้าไม่อยากที่จะอยู่กับสิ่งเหล่านี้ก็ต้องตัดความอยาก ความยินดีในสิ่งเหล่านี้ออกไปให้หมดพอตัดความอยากความยินดีต่างๆหมดไปจากใจได้แล้วใจก็จะสะอาดบริสุทธิ์ขึ้นมาแล้วก็กลายเป็นใจที่มีความสุขที่เหนือกว่าความสุขของสวรรค์ชั้นต่างๆ<ม>คือเป็นความสุขของพระนิพพานนี่<ม>ใจที่สะอาดบริสุทธิ์ตัดความโลภความอยากต่างๆได้หมดไปจากใจใจนี้ก็จะกลายเป็นนิพพานขึ้นมา ใจที่มีนิพจที่ไม่มีความอยากนี้แหละกลายเป็นความสุขเป็นใจที่มีความสุขที่ยิ่งใหญ่ที่สุดที่สูงที่สุดที่ท่านเรียกว่านิบบานำปรมังสุขขังเนี่ความสุขของใจนี้ความสุขสูงสุดของใจก็คือการชำระใจให้สะอาดบริสุทธิ์กำจัดความโลภความอยากต่างๆให้หมดไปจากใจพอไม่มีความโลภความอยากหลงเหลืออยู่ในใจแล้วใจก็จะเป็นใจที่นิ่งสงบ สงบยิ่งกว่าสวรรค์ชั้นพรมชั้นอรูปประพรมเหนือกว่าเพราะว่าเป็นความสงบที่ถาวรไม่มีวันเสื่อมความสงบของรูปประพรมหรือของอรูปประพรมนี้มันยังเสื่อมได้ยังหมดได้แต่ความสงบที่เกิดจากการละความอยากต่างๆที่มีอยู่ในใจให้หมดสิ้นไปทําให้ใจเป็นใจที่สะอาดบริสุทธิ์ขึ้นมาก็จะทําทให้ใจนี้นิ่งสงบไปอย่างถาวร ไม่มีวันเสื่อมไม่มีวันหมดอีกต่อไป mm. นี่คือการพัฒนาระดับขั้นสูงสุดขั้นต้นก็พัฒนาจากมนุษย์ไทยไปเป็นเทพด้วยการทำบุญทำทานรักษาศีลห้าแล้วก็จากชั้นเทพก็จากจะขึ้นชั้นพรหมก็ต้องไปรักษาศีลแปไปเป็นนกไปอยู่แบบนัก บ, บวชกันไปเจริญสตินั่งสมาธิให้เข้าฌานในระดับต่างๆให้ได้เ mm. มื่อได ชานระดับต่างๆแล้วขั้นต่อไปก็ไปเจริญปัญญาสอนใจว่าถ้าใจยังมีความอยากกับอะไรอยู่ถ้ายังมีความอยากกับรูปเสียงกลิ่นรสก็ต้องตัดมันถ้ายังมีความอยากกับรูปประชานเรือรูปประชานก็ต้องตัดมันเพราะความสุขเหล่านี้ยังเป็นความสุขที่ไม่ยั่งยืนไม่ถาวรมมีเสื่อมได้มีหมดได้แล้วต้องกลับมาเติมใหม่อยู่เรื่อยๆก็ต้องกลับมาเวียนว่ายตายเกิดอยู่เรื่อยๆ ถ้าไม่อยากจะกลับมาเวียนว่ายตายเกิดถ้าอยากจะอยู่อย่างมีความสุขก็ต้องตัดความอยากต่างๆให้หมดไปเพราะตัวความอยากนี่แหละที่ทำให้ใจหิวยังไม่มีความสุขอย่างแท้จริงพอตัดความอยากออกไปหมดไปจากใจได้แล้วใจก็จะมีแต่ความสุขเพราะว่าเพราะว่าไม่มีความหิวความอยากที่ทำให้ใจหิวมันหมดไปพอความหิวหมดไปความหิมใจก็จะเข้ามาแทนที่ แล้วก็จะอยู่คู่กับใจไปตลอดความิ่มใจของของใจนี่นะที่เราเรียกว่านิพพานนิบ า, น, านังปละมังสุขขังเป็นความสุขที่ยิ่งใหญ่ที่ยั่งยืนที่ถาวรที่ไม่มีวันเสือ่อมไม่มีวันหมดที่ไม่ต้องกลับมาเติมอยู่เรื่อยๆถ้าใจเป็นนิพพานแล้วไม่มีความอยากแล้วก็จะไม่กลับมาเกิดในในใจภพต่อไปใจภพก็คือการมภพรูปภพอรูปภพ ก <S <S ามาพบก็คือพบของผู้ที่ยังมีความอยากเสพกามอย่างพวกพวกมนุษย์นี้ยังอยากเสพกามอยู่พวกสัตว์เดรัจฉานนี่ยังอยากเสพกามอยู่ก็จะกลับมาเกิดในกามมาพบอยู่เรื่อยๆถ้าตัดความอยากเสพกามได้ก็จะไม่ต้องกลับมาเกิดในกามมาพบถ้าตัดความอยากจะเสพรูปประชานได้ก็ไม่ต้องกลับมาเกิดในรูปประพบถ้าตัดความอยากจะเสพแล้วรูปประชานได้ ก็จะไม่ต้องกลับมาเกิดในอรูปประภพอีกต่อไปไม่เกิดไม่มาเกิดในตายพบตายพบก็คือสังสารวัตรเนี่ยที่เวียนว่ายตายเกิดของสัตว์โลกที่มีอยู่ทั้งหมดนี้เวียนว่ายตายเกิดอยู่ในสังสารวัตอยู่ในตายพบนี้มีเพียงแต่พระพุทธเจ้าพระอรหันต์เท่านั้นที่ไม่มาเวียนว่ายตายเกิดในตายพบอยู่เพราะท่านไปถึงนิพพานท่านอยู่ที่นิพพานนิพพานที่ไม่มีความอยากที่จะดึงให้ใจกลับมาเวียนว่ายตายเกิดนั่นเอง าการที่จะถึงนิพพานได้ก็ต้องพัฒนาจิตใจให้ขึ้นไปสู่ชั้นพรมก่อนให้ได้รูปประชา น, นรูปประชานก่อนแล้วก็มาใช้ปัญญาตัดความการมาตัญหาตัดภาวะตัญหาตัดวิภาวะตัญหาตัดความอยากอยากในการตัดความอยากในรูปประชานตัดความอยากในอรูปประชานให้หมดไปจากใจเพื่อใจจะได้ไม่ต้องกลับมาติดมาต้องมาเวียนว่ายตายเกิดในตายพบต่อไปนั่นเอง เมื่อไม่มีการเวียนว่ายตายเกิดใจก็จะมีแต่ความสุขเพราะว่าถ้าตราบใดยังมีการเกิดอยู่ตราบนั้นก็ยังต้องมีความทุกข์อยู่ทุกที่เกิดจากความแก่ความเจ็บความตายนี่เองทุกยังไม่มีกับผู้ไม่เกิดเท่านั้นผู้ที่ยังไม่เกิดก็ต้องตัดความอยากที่มีในใจให้หมดสิ้นไปตัดกางมรรทันหาตัดภาวะตันหาและตัดวิภาวะตันหาให้หมดสิ้นไปจากใจ เมื่อหมดแล้วก็จะไม่มีเหตุที่จะดึงให้ใจกลับมาเวียนว่ายตายเกิดในสังสารวัฏในตายเพบอีกต่อไปนี่แหละคือการพัฒนาที่ยั่งยืนเรื่มาพัฒนาที่จิตใจและการพัฒนาจิตใจนี้ก็สามารถพัฒนาได้ด้วยกันทุกคนไม่ขึ้นอยู่กับเพศกับวัยแต่อย่างใดเป็นหญิงเป็นชายก็พัฒนาได้เป็นนักบวชเป็นคฆราวาสก็พัฒนาได้เป็นเด็กเป็นผู้ใหญ่ก็สามารถพัฒนาได้ ในสมัยพระพุทธกาลนี้มีผู้พัฒนาจิตใจถึงขั้นสูงสุดนี้มีอยู่ทุกเพศทุกวัยมีทั้งนักบวชมีทั้งคาววะผู้คองเลือนมีทั้งหญิงมีทั้งชายมีทั้งเด็กมีทั้งผู้ใหญ่มีทั้งคนแก่ทุกคนสามารถพัฒนาจิตใจได้เพราะว่ามันไม่เกี่ยวกับร่างกายการพัฒนาจิตใจมันเกี่ยวกับจิตใจว่าจิตใจสามารถที่จะนำเอาคำสอนของพระพุทธเจ้ามาปฏิบัติตามได้หรือไม่ สามารถทำบุญทำทางได้หรือไม่สามารถรักษาศีลห้าได้หรือไม่สามารถรักษาศีลแปดได้หรือไม่สามารถเจริญสตินั่งสมาธิอยู่เรื่อยๆได้หรือไม่สามารถเจริญปัญญาพิจารณาให้เห็นตายลักษเห็นอริยสัจสี่อยู่เรื่อยๆได้หรือไม่ว่าความทุกข์การเวียนว่ายตายเกิดนี้เกิดจากความอยากความทุกข์ที่ความความทุกข์ของการเวียนว่ายตายเกิดนี้เกิดจากตัณหาความอยากทั้งสามคือการมาตัณหาภาวตัณหาวิภวะตัณหา ถ้าไม่อยากจะเวียนว่ายตายเกิดก็ต้องมาตัดความอยากทั้งสามนี้คือการมาตัญหาพวาตัญหาวิพวตัญหาถ้าตัดได้สิ่งที่จะช่วยให้ตัดได้ก็คือการปฏิบัติการทำบุญทาทานการรักษาศีลการเจริญสมาธิการเจรเจิญปัญญานี่งั้นถ้าใครก็ตามสามารถปฏิบัติตามคำสอนของพระพุทธเจ้าได้คือทำบุญทาทานได้รักษาศีลได้ เจริญสตินั่งสมาธิได้เจริญปัญญาได้ก็สามารถที่จะตัดความอยากต่างๆให้หมดไปจากใจได้สามารถทำให้จิตใจหลุดพ้นจากกองทุกแห่งการเวียนว่ายตายเกิดได้สามารถทำให้ใจบรรลุถึงพานิพานได้อยู่ที่จิตใจอยู่ที่การปฏิบัติของจิตใจไม่ได้อยู่ที่เพศที่หวันดังนั้นทุกท่านมีสิทธิ์มีโอกาสที่จะปฏิบัติได้ทาได้แล้วก็นานๆจะมี คนที่รู้ทางมาสอนคือพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ถ้าเรามาเกิดในยุคที่ไม่มีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์นี้เราจะไม่รู้วิธีพัฒนาจิตใจเลยหรือถ้าพัฒนาก็จะพัฒนาได้แบบชั่วข้าวพัฒนาถึงขั้นสวรรค์ขั้นพรมเท่านั้นแต่ไม่สามารถพัฒนาไปถึงขั้นพระนิพพานได้เลยต้องมีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์มาไปผู้สอนเท่านั้นนี่ก็คือเรื่องของการพัฒนาชีวิตของพวกเราที่มีอยู่สองรูปแบบ พัฒนาแบบชั่วคราวคือพัฒนาทางร่างกายทา ง, างลาบยศสารเสริญสุขและพัฒนาแบบยั่งยืนคือพัฒนาจิตใจพัฒนาภพชาติให้สูงขึ้นให้ดีขึ้นไปตามลําดับจนถึงขั้นสูงสุดคือขั้นพรนิพพานก็คิดว่าพอสมควรแก่เวลาจะขออนุโมทนาให้พรยะถ า, าวาริวาหาปุราภิภูแลนติสาคลัง เอวเมวะอิโตทินังเปตานังอุปการปติอิทิตังปฏิตังตุมหังคิะเมวะสมิชฌตุสัพเพปุเรนตุสังกปาจันโทปนาละโสยธามณิโชติละโสยธาสัพพิติโยวิวัชจนตุสัพพโรโควินัสตุ มาเตผวะตวันตะลายุสุขีทีขาโยโกผวะอาพิวาธนสิลิศะนิจังวุธาปจายโนจตารธรรมาวะัฏติอายุวันโอสุข้ง า, างภาลังช่วงต่อไปนี้เป็นช่วงถามตอบคำถาม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 YouTube Personal Life 374 YouTube Dr. V 62วิทยุออนไลน์11 c l u b h o u ์3หน้ากุด180รวมทั้งหมด962ท่านค่ะคําถามจากผู้รับฟังหน้ากุดค่ะ คนในครอบครัวข้าพเจ้าเสพติดการสูบบุหรี่เป็นประจำเลิกไม่ได้แต่เขาบอกว่าไม่ผิดศีลแต่ข้าพเจ้าคิดว่าก็เป็นกิเลสชนิดหนึ่งหรือว่าจริงๆแล้วการเสพติดบุหรี่ไม่เกี่ยวกับธรรมะเจ้าคะคือการสูบบุหรี่นี้มันไม่ได้ทำให้ขาดสติไม่ได้ทำให้เกิดอาการมึนเมาก็เลยยังถือว่าไม่ไม่เป็นพิษเป็นภัยเท่ากับสุรายาเมา เวลาดื่มสรายาเมานี่มันไม่มีสติควบคุมใจคิดจะพูดจะทําอะไรไม่ดีก็จะปล่อยออกมาแต่ถ้ามีสตินี้ก็จะห้ามปลามจิตใจได้ดังนั้นบุหรีนี้ไม่ได้อยู่ในข้อห้ามแต่อย่างใดสูดได้แต่ต้องต้องระวังว่ามันอย่าให้เกิดโทษกับร่างกายถ้าสูดมากเกินไปมันก็จะทําให้เกิดโรคภัยต่างๆตามมาได้แต่ถ้ารู้จักการ พอประมาณก็ก็ไม่เสียหายตรงไห น, นเหมือนกับเครื่องเดื่มอย่างต่างกาแฟยอย่างนี้แต่ว่าเป็นยาเสพติดก็ได้ก็ดื่มแล้วมันก็ติดมันก็อยากจะดื่มอยู่เรื่อ ย, อยก็ต้องรู้จักมีการควบคุมบังคับใจห้ามตามใจไม่ให้เสพมากเกินไปก็จะไม่เกิดโทษตามมาแต่ทางด้านจิตใจไม่มีอะไรเสียหายคําถามจากทาง youtube พระอาจารย์สุชาติค่ะ การพิจารณาดินน้ำไฟลมด้วยปัญญาหมายถึงสมาธิต้องเข้าสู่จตุตฌานเกิดตาในจึงจะถูกต้องใช่ไหมครับหากยังไม่เกิดตาในการพิจารณานั้นถือเป็นสัญญาอุปาทานใช่ไหมครับคือสมาธินี่มันเป็นสิ่งที่ทําให้ใจมีความนิ่งมีความชัดเจน แว่นตาเนี่ยถ้าเวลาถ้าเรามันเปื้อนเนี่ยเราสายแว่นตามองมันจะเห็นของไม่ชัดเราก็ต้องเอาไปเช็ดให้มันชัดก่อนแล้วค่อยมองใจที่มีความวุ่นวายใจมีกิเลสตัณหาครอบงำใจนี่จะไม่สามารถมองเห็นความเป็นจริงได้จะเห็นกับตาละปัดเห็นสุขเป็นทุกข์เห็นของที่ไม่เที่ยงว่าเป็นของเที่ยงเห็นของที่ไม่ใช่ตัวเราเป็นของตัวเรา ดังนั้บื้องต้นเราต้องทําใจให้ให้เคลียร์ก่อนให้ชัดก่อนด้วยการทําสมาธิเราทําสมาธินี่สิ่งที่มันเป็นสิ่งที่มันปิดบังใจคือความโลภความโกรธความหลงต่างๆมันจะสงบตัวลงทําให้ใจนี้เห็นสิ่งที่เป็นความจริงตามความเป็นจริงเห็นสุนัขว่าเป็นสุนัขเห็นแมวว่าเป็นแมวแต่เวลาที่มีความหลงนี่มันจะเห็นกลับกันไป เห็นสุนัขเป็นแมวเห็นแมวเป็นสุนัขพระเจ้าต้องการให้เราเห็นความจริงของทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้ว่ามันเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาแต่ใจเราถูกความหลงมันครอบงำอยู่ทําให้เรามองเห็นกับตาลปัตรเห็นตรงกันข้ามกันเห็นอนิจจังเป็นนิจจังเห็นทุกขังเป็นสุขขังเห็นอนัตตาเป็นอัตตาไปเราเห็นอะไรเราบ้างเฉยๆเป็นนิจจังสุขขังอัตตาได้มาแล้วจะให้ความสุขกับเราจะเป็นของเราไปตลอดนะ แต่พอเจอความจริงเขาวก็ต้องร้องห่มร้องไห้ากันเวลาที่มันกลายเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาขึ้นมาเพราะฉะนั้นถ้าเรามีใจที่สงบใจที่สว่างใจที่เคลียร์ไม่มีสิ่งที่ครอบงําใจคือความหลงแล้วเวลาเห็นอะไรมันจะเห็นตามความเป็นจริงเห็นทุกข์เป็นทุกข์เห็นของไม่เที่ยงเป็นของไม่เที่ยงเห็นของที่ไม่ใช่ของเราว่าเป็นไม่ใช่ของเราเมื่อเราเห็นว่าเป็นทุกข์ไม่เที่ยงเราก็จะไม่มีความอยากที่จะได้มัน เมื่อเราไม่มีความอยากที่จะได้มันใจเราก็จะไม่ทุกข์ใจเราก็อยู่เฉยๆได้คําถามจากผู้รับฟังหน้ากุดค่ะคนที่ชอบสอดรู้สอดเห็นเรื่องชาวบ้านผิดหรือไม่อย่างไรครับมันไม่ผิดหรอกถ้าไม่ไปทำบาปไม่ไปทําให้เขาเสียหายแต่อย่างใดครับเคยขอโอกาสครับพระอาจานอ่า ตัวตัวผมเองเดิมรักษาสิน5้าได้ตั้งใจรักษาสิน5้าดีอยู่แล้วครับก็ปัจจุบันก็พยายามจะขยับสิน8เพิ่มให้ได้ทีละข้ออย่างเช่นอนอนไม่นอนที่สูงครับแล้วก็สอบถามถึงเรื่องการนั่งสมาธิครับถ้านั่งสมาธิโดย โดยโดยไม่ได้เปิดฟังเทปหรือว่าไม่ได้ฟังธรรมะของพระอาจารย์ใดๆเงี้ยครับคือมันจะนั่งอยู่ได้ไม่นานสิ่งที่ผมควรจะทําคื อ, อเปิดฟังหรือว่าฝืนนั่งสมาธิด้วยตัวเองโดยไม่ต้องฟังอะไรครับพระอาจารย์ในขั้นต้นถ้าเรายังไม่สามารถนั่งสมาธิได้เลยก็ต้องอาศัยการฟังเทปฟังธรรมไปก่อนก็ได้แต่ก็ต้องรู้ว่ามันเป็นขั้นเบื้องต้นเพื่อเป็นการ สร้างสติของเราให้มีมากขึ้นต่อไปเราก็ต้องหยุดฟังแล้วก็นั่งแบบไม่มีไม่มีพอเรามีสติพอที่จะนั่งดูลมได้นั่งพุโทโธได้แล้วก็ต้องทำโดยที่ไม่ต้องฟังเทศฟังธรรมไปเพราะการฟังเทศพันธรรมมันจะให้ความสุขความสงบได้ระดับหนึ่งแต่ไม่ลึกเท่ากับการที่เราไม่ได้ฟังเทศฟังธรรมถ้าเราดูลมหายใจอย่างเดียวหรือพุโทโธอย่างเดียวนี่มันจะลงลึกไปถึงฐานของจิตเลย เบื้องต้นถ้าเรายังมีสติไม่พอนั่งดูลมไม่ได้นั่งพุโทโธไม่ได้จิตมันฟุง้งก็อาศัยการฟังเทศฟังธรรมหรือถ้าเราจะใช้การสวดมนต์ไปก็ได้นั่งหลับตาแล้วก็สวดมนต์ไปถ้าเราไม่ฟังเทศฟังธรรมใช้การสวดมนต์ไปก่อนสวดไปสักระยะหนึ่งแล้วใจจะค่อยเบาลงสงบลงแล้วสติเราจะมีมากขึ้นแล้วค่อยมาพุโทโธพุโทโธต่อหรือ ด, ดูลมหายใจต่อเข้าใจแล้วครับขอบคุณครับ ขออนุญาตอีกคำถามนึงครับพอดีได้เหมือนกับว่าได้เจอกับผู้ใหญ่ที่เขามีความมีความโกรธกันอยู่เนียครับคือเราคือเราเห็นเองนะครับว่าโกรธแต่ว่าพอไปสอบถามเขาเนี่ยเขาก็จะบอกว่าเขาไม่มีความโกรธแต่ว่าสมมติคุณก่อไก่เขาโกรธก่อไข่ แล้วหลังจากนั้นเนี่ยเขาก็บอกเขาไม่ได้โกรธแต่ทุกครั้งที่พูดถึงเนี่ยก็คือเราเห็นอากับกิริยาหมายถึงว่ามีลักษณะของตากระตุกบ้างมีลักษณะของหอบหายใจเร็วบ้างไม่สามารถหรือว่าไม่สามารถที่จะหยุดการพูดของตัวเองได้บ้างหรือว่ า, อาคอยพูดเรื่องนี้ซ้าอยู่เนืองเืองโดยที่ตัวเองบอกว่ า, เ, าเขาไม่โกรธแล้วแต่เขาไม่อภัยนะเดี๋ยวกมจะได้ไป ตามสนองเขาอะไรเงี้ยครับคือในเบื้องต้นเนี่ยผมก็รู้สึกว่าผมเป็นทุกข์กับการที่ผมรับรู้แบบนี้ผมก็เขาเรียกว่ารักษาใจตัวเองเป็นหลักก่อนนะครับแล้วอยากจะข อ, อคำชี้แนะของพ่ออาจารย์เผื่อบางครั้งเขาเขามาฟังอยู่ด้วยครับพ่ะอาจารย์ พระพุทธเจ้าทรงตรัสให้เรามองคนว่าเขามีกรรมเป็นของของเขาเขาจะทํากรรมอะไรไว้ดีหรือชั่วเขาจะต้องเป็นผู้รับผลของกรรมนั้นเราไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับตัวเขาเลยดนั้นการที่เราไปสนใจไปมีความยุ่งยากวุ่นวายกับเขาก็แสดงว่าใจเรามีกิเลสอยากจะไปยุ่งกับเขาเองครับเราก็ต้องดึงใจเรากลับเข้ามาด้วยการใช้สติพุโทโธพุโทโธดึงไว้อย่าให้ไปคิดถึงเรื่องของเขา ปล่อยให้เขาเป็นไปตามบุญตามกรรมของเขาครัเท่านั้นเองรักษาใจเราครับรักษาใจเราวิธีรักษาใจต้องมีสติคอยดึงใจไว้ให้อยู่ข้างในอย่าปล่อยออกไปข้างนอกพุโทโธพุโทโธไว้มันก็จะอยู่ข้างในพออยู่พุโทโธมันก็จะวิ่งไปหาคนนั้นวิ่งไปหาคนนี้ทันทีจัดการใจของเราขอบคุณครับฝึกสตินั่งสมาธิบ่อยๆแล้วจะทำให้ใจเรามีอุเบกขามากขึ้น อุเบกขาก็คือปล่อยวางไม่ยุ่งไม่วุว่นวายกับเรื่องของคนอื่นใครจะเป็นอะไรกันเรื่องของเขาช่างเขาไปจะมีคําพูดว่าช่างมันบ้าไปซื้อมันมาช่างมันบไปซื้อมันมาสักกิโลมานั่งช่างมันนะช่างมันช่างมันจะช่างบ่อยๆครับคุณ อ, อย่าไปยุ่งกับเรื่องของชาวบ้านเขาไม่ให้เรื่องของเราคํำถามจากทางอินบ็อกซ์ค่ะ ตอนเดินจงกรมได้พิจารนาว่าร่างกายคือธาตุสี่พอตายก็หมดลมหายใจจนเหลือโครงกระดูกและโครงกระดูกก็สลายลงดินพอกลางคืนฝันถึงน้องชายที่เสียไปแล้วเห็นกำลังเล่นบาสอยู่แล้วกระดูกซี่โครงก็หลุดออกมาเป็นซี่ๆก็เลยต้องหาผ้าพันตัวเหมือนมัมมี่ ในฝันเราตกใจและมีความกลัวเกิดขึ้นเพราะไม่เคยเห็นมาก่อนการฝันแบบนี้เป็นเพราะตอนเดินจงกรมเราพิจารณาถึงโครงกระดูกหรือเป็นเพราะจิตฟุ้งซ่านไปเองคะและสามารถเอาไปต่อยอดการปฏิบัติได้ยังไงบ้างคะมันกแสดงว่าเรายังไม่สามารถรับอสุภะได้ยังไม่สามารถรับความจริงของร่างกายได้เราก็ต้องมาพยายามพิจารณาอยู่บ่อยๆพิจารณาความตายพิจารณาซากศพ พิจนณาร่างกายตายเป็นเสี่ยงเป็นชิ้นเป็นอนไปอยู่เรื่อยๆแล้วจิตมันก็จะค่อยๆซึมซาบรับความจริงอันนี้ไปต่อไปเวลาฝันเวลาเห็นภาพเหล่านี้ก็จะไม่เกิดความกลัวขึ้นค่ะคำถามสักทางยูทูปพระอาจารย์สุชาติค่ะ ถ้าเราไม่ได้ไปฟังธรรมพระอาจารย์ที่วัดแต่เราฟังสดอยู่ที่บ้านเราได้บุญเหมือนไปฟังที่วัดไหมคะและเวลาที่ถวายของพระอาจารย์เราก็สาธุกับบุญขุศลที่เขาไปถวายของพระอาจารย์เราจะได้บุญไหมคะบุญที่เขาถวายนี่เราไม่ได้เนอะเราได้บุญที่เรายินดีกับการถวายของเขาเป็นบุญคนละอย่างกันเราไม่ได้ถวายของเราก็ไม่ได้ทานแต่เราได้อนุโมทนาบุญ จะได้ความสุขใจใ ช, ชื่นชมยินดีกับการทำบุญของผู้อื่นซึ่งเป็นบุญคนละชนิดกันส่วนการฟังธรรมที่บ้านหรือที่วัด ท, ที่ไหนถ้าฟังแล้วเกิดธรรมะเกิดความเข้าใจขึ้นมาก็ก็ถือว่าใช้ได้เหมือนกันคำถามจากทางยูทูบพระอาจารย์สุชาติค่ะ บาปกรรมที่เกิดจากการฆ่าสัตว์เล็กกับสัตว์ใหญ่มีผลเท่ากันหรือต่างกันอย่างไรครับเพราะถือว่าเป็นหนึ่งชีวิตเหมือนกันโดยส่วนตัวกระผมนั้นตั้งใจรักษาศีลห้าอยู่แล้วครับเชีวิตแต่ละชีวิตนี้มีคุณค่าไม่เท่ากันสัตว์เล็กสัตว์น้อยนี้มีคุณค่าน้อยกว่าสัตว์ใหญ่เพราะสัตว์ใหญ่เขาทาํเาเขาทำคุณทําประโยชน์ได้มากกว่าเช่นเดียวกับมนุษย์มนุษย์ก็มีคุณค่าต่างกัน มนุษย์บางคนก็มีคุณค่าน้อยมนุษย์บางคนก็มีคุณค่ามากเป็นมนุษย์ที่มีคุณค่ามากก็คือพระพุทธเจ้าพระอรหันต์พ่อแม่การฆ่าพ่อฆ่าแม่ฆ่าพระอรหันต์ฆ่าพุทธเจ้านี้ถือว่าเป็นบาปหนักเพราะทําทําร้ายผู้ที่มีพระคุณมากบาปมากกว่าการไปฆ่าเป็ดฆ่าไก่ฆ่าวัวฆ่าควายฆ่าคนอื่นที่ไม่ใช่เป็นพ่อแม่ของเราดังั้นการฆ่านี้มันเป็นบาปแต่มี มีราคาไม่เท่ากันมีหนักเบาไม่เท่ากันถ้าไปฆ่าคนที่มีบุญคุณกับเรามากก็เป็นบาปหนักถ้าฆ่าคนที่เขามีบุญคุณกับเราน้อยก็เป็นบาปน้อยเช่นขโมยขึ้นบ้านแล้วเราใช้ปืนยิงเขาตายเงี้ยมันบาปเบากว่าถ้าเราไปฆ่าพ่อฆ่าแม่แเราคําถามสัตย์ทางยูทูปพระอาจารย์สุชาติค่ะ การพบช่วงเวลาติดขัดในการภาวนาเช่นมีสติแต่จิตไม่รวมเกิดจากระยะเวลาในการถือศีลห้าไหมครับควรแก้ไขาการติดขัดเช่นนี้อย่างไรครับเกิดจากกําลังของสติยังมีไม่มากพอต้องพยายามเจริญสติให้มากมากก่อนที่จะมานั่งพระพุทธเจ้าสอนให้เจริญสติทั้งวันทั้งคืนเลยพอลืมตาขึ้นมาก็าให้พุโทโธพุโทโธพุโทโธไปทั้งวันตลอดเวลา ไม่ว่ากำลังทำอะไรอยู่ก็พุโทโธพุโทโธไปถ้าเรามีสติมากนะเวลานั่งสมาธิเราก็จะสามารถเข้าสู่ความสงบได้อย่างเต็มที่คำถามจากทางยูทูปพระอาจารย์สุชาติค่ะหากทำบุญให้ทานต่อพระมหาจากักรพรรดิกับทำบุญให้ทานต่อพระโสดาบานันพล า, านิสงหรือผลลัพธ์ที่ได้จากการทำบุญนั้นๆจะแตกกันจะแตกต่างกันไหมและอย่างไรครับ คือถ้าให้โดยที่เราไม่ได้ไปสนทนากันก็จะไม่ได้ไม่มีไม่มีความแตก ต, ต่างกันแต่ถ้าเราไปสนทนากับพระโสดาบันเราก็จะได้ธรรมะของพระโสดาบันถ้าเราไปคุยกับพระจักรพรรดเราก็จะได้ธรรมะของพระจักรพรรดิความรู้ของพระจักรพรรดินี้งั้นอยู่ที่ว่าเราได้มีโอกาสได้ยินได้ฟังคำสอนของเขาหรือเปล่าถ้าเราได้ยินได้ฟังคำสอนเราก็จะได้ประโยชน์จากเขาแต่ถ้าเราเพียงแต่เอาของไปให้เขาแล้วเราก็กลับ เราก็จะได้เท่ากันให้กับพระพุทธเจ้าให้กับพระจกักรพรรดิให้กับพระโสดาบันก็เป็นการให้เหมือนกันได้ความรู้ได้การเสียสละเท่ากันแต่จะไม่ได้ธรรมะจากท่านถ้าอยากจะได้ธรรมะต้องรอฟังเทศฟังธรรมจากท่านคุยกับท่านถามคําถามานี้ก็จะได้ธรรมะจากบุคคลต่างๆซึ่งมีธรรมะมากน้อยต่างกันพระพุทธเจ้านี่มีธรรมะมากที่สุด พระโสดาบันก็มีน้อยกับพระพุทธเจ้าทางด้านทางธรรมพระมหาจากักรพรรดนี้อาจจะมีทางความรู้ทางด้านทางธรรมน้อยแต่มีทางโลกมากวิธีที่ทําให้เป็นหมหาจากักรพรรดิอย่างนี้เป็นต้นอันนี้ขึ้นอยู่กับบุคคลว่าเขามีความรู้อะไรเมื่อเราคุยกับเขาเขาก็จะแบ่งความรู้นั่นมาให้กับเราถ้าเราไม่ได้คุยไม่ได้ฟังเขาพูดเราก็จะไม่ได้ส่วนนี้เราจะได้เพียงแต่บุญที่เกิดจากการเอาของมาให้เขาเท่านั้นเอง คำถามจากทางยูทูบพระอาจารย์สุชาติค่ะเรียนถามครับเคยฟังธรรมเคยฟังธรรมเทวดาเห็นปราสาทของเทวดาตนอื่นใหญ่กว่าตนจึงโลภอยากได้ตั้งใจจุดติดมาเป็นมนุษย์สะสมบุญเพิ่มครั้นเป็นมนุษย์ลืมอดีตที่ตั้งใจไว้ครบคนผ่านสุดท้ายจมลงนรกแต่บางตนระลึกได้กลับไปเทวโลกเออก็ น, นีอยู่ที่การการะทำ ถ้าเราทำดีเราก็จะได้ดีทำไม่ดีเราก็จะได้ไม่ดีค่ะคำถามจากทาง inbox ค่ะกระผมเกิดความสงสารในความทุกข์ทรมานร่างกายของสัตว์เลี้ยงในขณะป่วยก่อนที่จะตายไปเข้าใจในกฎใต้รัก ก็เพียงแค่เข้าใจเท่านั้นยังไม่สามารถระวังใจให้สงบเกิดอุเบกขาละเวทนาได้กลับขอความเมตตาจากพระอาจารย์ได้กรุณาชี้ว่าจะใช้วิธีไหนที่จะฝึกใจเราให้ละความหดหู่สงสารที่จะต้องเกิดขึ้นกับสิ่งอื่นๆที่เรารักห่วงในอนาคตได้ครับก็ต้องคิดบ่อยๆคิดบ่อยๆแล้วต่อไปเราก็จะยอมรับความจริงได้ คำถามจากทาง Facebook ค่ะลูกชายฝากถามค่ะเขานั่งภาวนาจนจิตสงบแล้วมีความรู้สึกสงบอยู่มีเสียงอะไรรบกวนก็ไม่ใส่ใจอย่างนี้ต้องทำอย่างไรต่อครับให้เขานั่งบ่อยๆนั่งนานๆเขาจิตใจจะได้สงบมากขึ้นมีความสุขมากขึ้นแล้วก็จะเป็นจิตใจที่ดีจะไม่เป็นจิตใจที่จะไปเดไปเบียดเบียนไปทาร้ายผู้อื่น คำถามจากทาง facebook ค่ะถ้าสามีเป็นคนซื้ออาหารมาให้เราใส่บาตรแต่เราเป็นคนใส่บาตรเองเราจะได้บุญไหมคะขึ้นอยู่กับว่าเงินที่ที่ซื้ออาหารนี้เป็นของใครถ้าเป็นของสามีสามีก็ได้ไปหมดถ้าเป็นทั้งของเราและทั้งของสามีก็ได้แบ่งเป็นคนละครึ่งแต่ส่วนการเอาไปใส่บาตรนี้เราจะได้บุญอีกการหนึ่งคือความความเพียนความขยันหมั่นเพียนเราจะได้ส่วนนี้ที่เป็นของเรา สามีจะไม่ได้ส่วนนี้เพราะสามีขี้เกียจนุนต้องไปทำธุระอย่างอื่นเลยสั่งให้ภรรยาไปทำแทนคำถามจากทางเฟ e บ o ๊ k ค่ะหากในมื้ออาหารบางมือ้อจำเป็นต้องใส่ส่วนผสมที่เป็นเหล้าจะถือเป็นการผิดศีลข้อห้าไหมคะถ้าจะยึดความแข่งขันขก็ต้องผิดลนะแม้แต่หยดเดียวก็ผิดแต่ถ้ามองถึงผลที่จะเกิดขึ้นก็อาจจะไม่ผิดก็ได้ ถ้าใสไปแล้วดื่มไปแล้วไม่ได้ทําให้เกิดอาการมึนเมาขึ้นมายังสามารถรักประคองประคองจิตใจประคองการคิดการพูดการกระทํำให้อยู่ในในคุณธรรมความดีได้ก็ก็ถือว่าไม่ผิดก็ได้อันนี้ขึ้นอยู่กับการแปลความของเราก็แล้วกันถ้าจะเอาแบบบริสุทธิ์ผุดพองแบบเคร่งครัดร้อยเปอร์เซ็นตแม้แต่สลายหยดเดียวก็ถือว่าผิดนะแต่ถ้าดื่มไปแล้วมันไม่ได้ทําให้เราเกิดอาการมึนเมาคลัง่งคลายไม่สามารถ ควบคุมมารมพ์ขเราได้ก็ไม่ถือว่าผิดตรงไหนคำถามจากทาง Inbox ค่ะคำว่าหลุดพ้นเหมือนหรือแตกต่างกับคําว่าพ้นทุกข์หากว่าแตกต่างต่างกันอย่างไรครับเหมือนกันอะพ้นทุกข์หลุดพ้นจากความทุกข์คือไม่มีความทุกข์อยู่ในใจของเราคําถามจากทาง Inbox ค่ะ จากบทธรรมโล ก, กธรรมแปดมีลาบเสื่อมลาบมียศเสื่อมยศมีสันเสริญ ม, ม, มีนินทามีสุขมีทุกขหากเราน้อมนำคำว่ามีสุขมีทุกขมาพิจารณาด้วยการวางอุเบกขาและมองอุเบกขาจางคลายจะถือว่าเป็นการพิจารณาอุเบกขาในขมมะไหมครับอุเบกขานี่เราพิจารณาไม่ได้เราต้องสร้างขึ้นมาด้วยการเข้าสมาธิเท่านั้นเองถ้าเราไม่เข้าสมาธิอุเบกขาจะไม่เกิดขึ้นมาในใจเรา คำถามสัต์ทางเฟซบุ๊กค่ะโล ก, กุตระต่างจากโลกิยะอย่างไรครับโลกุตระก็คือการหลุดพ้นจากกองทุกโลกแห่งการเวียนว่ายตายเกิดอยู่เหนือโลกของการเวียนว่ายตายเกิดโลกียะนี่หมายถึงยังอยู่ในโลกของการเวียนว่ายตายเกิดอยู่อ่าใช่หนูมาเข้า อ, อ, อยู่ที่วัดเจ็ดวันมาเจ้าค่ะแล้วทีเนี้ยหนูก็ยังเข้าสมาธิไม่ได้ดีแต่ก็ใช้การเดิน จงกลมเจ้าค่ะแล้วหนูตื่นมาหนูก็มีกําลังมากในหัวเจ้าค่ะแล้วหนูก็ก็เหมือนเหมือนมันทยานเข้าสู่สมาธิได้อ น, นั้นแล้วทีนี้หนูก็มีความสงสัยเจ้าค่ะว่าหนูควรจะคิดเห็นยังไงในความสงสัยในสิ่งที่เกิดขึ้นเจ้าค่ะให้หยุดคิดไม่ได้ถ้าสงสัยหาคําตอบไม่ได้ก็อย่าไปหาคําตอบ ไปมันผ่านไปเจ้าค่ะแล้วตัวหนูเองต้องยังไม่สามารถเข้าสมาธิได้ดีต้องฟังพระอาจาร์เทศเจ้าค่ะในการฟังพระอาจารย์หรือฟังพระอาจาร์ท่านอื่นจะทําให้เกิดความรู้จะทําให้หนูคิดออกหนูหนูเข้าใจธรรมะเจ้าค่ะมันแต่ต้องเข้าสมาธิหนูไม่รู้ว่าอันนั้นเป็นสมาธิหรืออันนั้นเป็นปัญญาหรือหนูทําอย่างนี้ถูกแล้วหรือว่ามันต้อง เพิ่มตรงไหนเจ้าคะโยการฟังธรรมนี้เป้าหมายหลักก็คือการการเรียนรู้ได้ความรู้จากการฟังธรรมถ้าได้ความรู้ความรู้นี้ก็จะทำให้ใจสงบได้เหมือนกันก็จะได้ทั้งสองอย่างได้ทั้งปัญญาและได้ทั้งสมาธิไม่ต้องไปสนใจขอให้ฟังไปตั้งใจฟังไปเพื่อให้เข้าใจเมื่อเข้าใจแล้วเราก็จะได้ความรู้แล้วความรู้นี้ก็จะมาทาให้ใจเราสงบ คำถามจากทางอินบอกซค่ะการที่ฝึกนั่งสมาธิแล้วพิจารณาดูตามจุดจักระตั้งแต่ศีสานจะลดปลายเท้าเพื่อทำสมาธิสื่อสารกับมิติอื่นรวมถึงพือบาบัด ร, รักษาอาการทางจิตใจมีจริงหรือไม่ค ะ, ะพระพุทธเจ้าไม่ได้สอนทางนี้ท่านสอนให้จิตสงบเข้าฌาน ด้วยการดูลมหายใจเข้าออกที่ปลายจมูกเพียงอย่างเดียวไม่ขึ้นไปขึ้นมาให้อยู่ที่ปลายจมูกให้เห็นลมเข้าลมออกไปเรื่อยๆแล้วเดี๋ยวใจก็จะเข้าสู่ความสงบเข้าสู่สมาธิได้หมดนะเหรอตอนนี้ยังไม่มีคําถามใหม่ออพอสมควรแก่เวลาขอให้ท่านทรงนำเอาสิ่งที่ท่านได้ยินได้ฟังไปพินิจพิจารณาไปปฏิบัติ